ธรรมบทแปลเรื่องที่175เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ที่อ ค, คาลวะวเจดีทรงปรารบภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าโยเวอุปติตังโกทังเป็นต้น ตอนภิกษุตัดต้นไม้ที่เทวดาอยู่ความพิสดารว่าเมื่อพระศัสดาทรงอนุญาตเสนาสนะแก่ภิกษุสงฆ์แล้วและเมื่อเสนาสนะทั้งหลายอันครือัดทั้งหลายมีเศรษฐีชาวกรุงราชครือเป็นต้นกำลังให้สร้างภิกษุชาวเมืองอาะวีรูปหนึ่ง สร้างเสนาสนะของตนอยู่เห็นต้นไม้ที่พอใจต้นหนึ่งแล้วเริ่มจะตัดก็เทพดามีลูกอ่อนองค์หนึ่งเกิดที่ต้นไม้นั้นอุ้มบุตรด้วยสเออยืนอ้อนวอนว่าพระคุณเจ้าขอท่านอย่าตัดวิมานของข้าพระเจ้าเลยข้าพระเจ้าไม่มีที่อยู่ ไม่อาจอุ้มบุตรเที่ยวเร่ร่อนไปได้ภิกษุนั้นคิดว่าเราจักไม่ได้ต้นไม้เช่นนี้ในที่อื่นจึงไม่เอื้อเฟื้อคำพูดของเทพดานั้นเทพดาคิดว่าภิกษุนี้เห็นทารกนี้แล้วจักงดเป็นแท้จึงวางบุตรไว้บนกิ่งไม้ฝ่ายภิกษุนั้น ไม่อาจจะยั้งขวานที่ตนเหงือขึ้นแล้วได้จึงตัดแขนทารกขาดแล้วเทพดาเกิดความโกรธมีกำลังยกมือทั้งสองขึ้นด้วยเจตนาว่าจะฟาดภิกษุรูปนั้นให้ตายแต่พลันคิดได้อย่างนี้ว่าภิกษุผู้นี้เป็นผู้มีศีลถ้าเราจะกฆ่าภิกษุนี้เสียก็จะเป็นผู้ไปนรก แม้เทพดาที่เหลือได้พบภิกษุตัดต้นไม้ของตนจักถือเราเป็นประมาณบ้างว่าเทพดาองค์น้นฆ่าภิกษุเสียก็อย่างนี้เหมือนกันแล้วจกฆ่าภิกษุทั้งหลายเสียก็ภิกษุนี้มีเจ้าของเราจะต้องบอกกล่าวเธอแก่เจ้าของทีเดียวลดมือที่ยกขึ้นแล้ว ร้องไห้ไปสู่สำนักของพระสัสดาถาวายบังคมแล้วยืนณนะส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระสัสดาตรัสกับเธอว่าทำไมหรือเทพดาเขาทูลว่าพระเจ้าค่าสาวกของพระองค์แหละทำกรรมชื่อนี้แม้ข้าพระองค์ก็ใคร่จะฆ่าเธอ แต่คิดข้อชื่อนี้ได้จึงไม่ฆ่าแล้วรีบมาที่นี่เทียวดังนี้แล้วกราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดโดยพิสดารพระสัสดาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วตรัสว่าถูกแล้วถูกแล้วเทพดาเธอข่มความโกรธที่เกิดขึ้นอย่างนั้นไว้อยู่เหมือนห้ามรถกําลังหมุนไว้ได้ชื่อว่าทำความดีแล้ว ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าโยเวอุปติตังโกทังระทั่งพันตังวทารเยตมหั่งซาระทิ่งบรูมิรัสมิกาโหอิตโรจโนผู้ใดแลพึงสะกดความโกรธที่พรุ่งขึ้นเหมือนคนห้ามรถที่กำลังแล่นไปได้ เราเรียกผู้นั้นว่าสารถีส่วนคนนอกนี้เป็นเพียงผู้ถือเชือกตอนแก้อัดเป็นดาบทเหล่านั้นบทว่าอุปติตังได้แก่ที่เกิดขึ้นแล้วสองบทว่าระทั่งพันตังวะความว่าเหมือนอย่างนายสารถีผู้ฉลาด ห้ามรถที่แล่นอยู่โดยกำลังเร็วหยุดไว้ได้ตามต้องการชื่อฉันใดบุคคลใดพึ่งสะกดคืออาจข่มความโกรธที่เกิดขึ้นไว้ได้ก็ฉะ น, นั้นบทว่าตามหัง่งความว่าเราเรียกบุคคลนั้นว่าสารถีสองบทว่าอิตโรจโนความว่า ส่วนชนนอกนี้คือสารถีรถของอิสระชนมีพระราชาและอุปราชเป็นต้นยอมชื่อว่าเป็นเพียงผู้ถือเชือกหาใช่สารถีชั้นเยี่ยมไม่ในการจบเทศนาเทปดาดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทที่ประชุมกันแล้ว ดังนี้แลฝ่ายเทพดาแม้เป็นพระโสดาบันก็ยังยืนร้องห้ยอยู่ครั้งนั้นพระสัสดาตรัสถามเธอว่าทำไมหรือเทพดาเมื่อเทพดาถุนว่าพระเจ้าข้าวิมานของข้าพระองค์ชิบหายเสร็จแล้วบัดนี้ข้าพระองค์จะทำอย่างไร จึงตรัสว่าอย่าเลยเทพดาท่านอย่าคิดเราจากให้วิมานแก่ท่านแล้วส่งชี้ต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งเทพดาจุติไปเมื่อวันก่อนใกล้กับพระคันธกุดีในพระเชตวันตรัสว่าต้นไม้โน้นในโอกาสโน้นว่างเธอจงเข้าสถิตณนะต้นไม้นั้นเถิด เทพดานั้นเข้าสถิต ท, ที่ต้นไม้นั้นแล้วตั้งแต่นั้นเทพดาที่ทรงศักใหญ่ทราบว่าวิมานของเทพดานี้อันพระพุทธเจ้าประทานก็ไม่อาจจะมาทำให้วิมานนั้นหวั่นไหวได้พระสัสดาทรงทำเรื่องนั้นให้เป็นเหตุเกิดขึ้นแล้วทรงบัญญัติภูตะคามสสิกขาบท แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้แลเรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง